ให้การเข้าใจทุกคนผู้ปฏิบัติกวรสนใจการกระทําจิตวัดอจจริยวัดอุปจายวัดอันนี้เป็นเครื่องยึดเหนียวน้าใจของพวกเราทั้งหลายให้เป็นกลุ่มเป็นก้อน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 ทุกกลุ่มทุกเราถ้าขาดการคารบคารวะกันแล้วก็ไม่สำเร็จประโยชน์แม้ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งกหมือนกันจะเป็นคารวะาจะเป็นบันปลายจิตความมั่นคงก็ไม่มีถ้าขาดความคารบคารวะอันนี้ท่านอาจารย์เหลี่ยมซึงเป็นประธาน อยู่ในทีน่นี้ที่เป็นผู้ช่วยผมเมื่อเวลาผมไปมาละให้หนาทีมอบนาทีการงานให้ทำธุระนาทีแทนไดนนำพระภิกษุสามนเณนรมาทำจิตวัดคือแสดงความคารวะตลอดถึงขอนิสัย ตามระเบียบประเพณีที่พวกเราทั้งหลายได้ทำกันมาทุกปีอันนี้เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่เลิศสิ่งที่ประเสริฐถ้าการคารพคารวะไม่มีมันก็เกิดความประมาทจิตวัตทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เสื่อมสามไป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 แต่ปฏิบัติเนี่ยมันเป็นคู่กันโดยตรงแต่ว่าปริยัตกับปฏิบัตินี้เป็นของคู่กันมายังพุทธศาสนาให้เจริญถาวรรุ่งเรืองตลอดบัดนี้ก็เพราะการศึกษาแล้วก็รู้รู้แล้วก็ปฏิบัติตามความรู้ของเรานั้นเรียกว่าการประพฤติเรียกว่าการปฏิบัติ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 กับปฏิบัตินี้พูดง่ายเลยว่าผู้เรียนหนังสือกับกรรมฐานนี้ถ้าไปตั้งปริยัติขึ้นเมื่อไรเสื่อมหนีโดยมากเป็นอย่างนี้เสื่อมทำการปฏิบัติก็เปลี่ยนไปในยากมันเสื่อมโดยมากเป็นใจอย่างนั้นทีนี้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 ดูกิริยาพระเ น, ยนียนต่างๆเก่าเดินจงกรมก็ไม่ค่อยมีนั่งสมาธิก็ น, น้อยการคลุกคีกันก็นมากขึ้นความสงบระงับมันน้อยลงนี่อเป็นซะอย่างนี้ทีนี้การปฏิบัติถ้าหากว่าเราไม่ได้เดินจงกรมเมื่อเดินจงกรมแล้วก็ตั้งใจเดินจงกรม เมื่อนั่งสมาธิเราก็ตั้งอกตั้งใจทำเมื่อเดินอิทธิยาบทการยืนการเดินการนั่งการนอนเราก็พยายามสังวรสังรวมที่นี่เมื่อเรามาเรียนหนังสือเสร็จแล้วมันเป็นสัญญาสายโดยมากโคเดเพลินไปตามปริยัตอันนั้นอิริยาอันนั้นเรื่มตัวเรืมตัวจ้ะก็าได้เล่นอารมณ์ภายนอกหลายฉะนั้นการปฏิบัติเดินจงกรมนี่น้อย การนั่งสมาธินี่น้อยเนี่ยการคลุกขีกันมากขึ้นนี่มันเป็นเสียอย่างนี้อันนี้มันก็เป็นแต่เฉพาะบุคคลที่ไม่มีปัญญาบุคคลที่ไม่สังวรสั้งรวมบุคคลที่ไม่มีสติติดต่อกันก็เป็นเหตุให้เสียหายใดเหมือนกันมันเป็นเพราะเหตุนั้นที่นี่เมื่อนักเรียนเรียนหนังสือไม่ได้นั่งสมาธิ ไม่ได้เดินจงกรมการสังวอลสังรวมมันก็น้อยเป็นเหตุจิตพุ่งสั่นการพูดปรัำประไ้ายสังวอลสังรวมจับกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็มากขึ้นมาอืมหลายขึ้นมาหลายขึ้นมาอันนี้เป็นเหตุให้เสื่อมมันเป็นเพราะไม่ใช่เป็นเพราะปริยัตไม่ใช่เป็นเพราะปฏิบัติมันเป็นเพราะบุคคลเราไม่ตั้งใจลืมเนื้อลืมตัวใช่ไหม ความเป็นจริงปริยัตินี้เป็นของชี้ช่องทางให้พวกเราประพฤติปฏิบัติทั้งนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราไปเรียนเขาใช้แล้วลืมตัวนะการพูดมันามากการเด่นมันามากการเดินจงกลมทิ้งไปหมดเนี่ยแล้วก็มีความกระสานอยากจะศึกโดยมากก็เรียนหนังสือไปเลยึกกันคุยกันอันนี้เป็นเหตุไม่ใช่ว่าเพราะปริยัติไม่ดี ปฏิบัติไม่ถูกไม่ใช่อย่างนั้นเป็นเพราะพวกเราทั้งหลายนั้นขาดการพินิษพิผีเจรณาความเป็นจริงการปฏิบัตินั้นจะอ่านหนังสือจะท่องหนังสือจะอะไรมันก็เป็นกรรมาฐานกันทั้งนั้นเนี่ยฉะนั้นว่าเป็นเช่นนี้ในภาษาที่สองมาผมเลยเลิกสอนเลิกเลิกการสอนปริยัติที่อีกล้ายปีต่อมาอีกมีมากขึ้นมาคุณบุตรมากขึ้นมา จำเป็นก็ต้องบางคนมันก็ไม่รู้เรื่องนะนะเรื่องพระธรรมวินัยสมุดบัญญัติอะไรก็ไม่รู้เรื่องนะก็เลยปรับปุงขึ้นมาใหม่ได้เราเรียนกันมาแล้วก็ขอแรงครูบาอาจารย์พูดที่ไไ้เรียนมาแล้วสอนสอนเขาอยากให้ตั้งเป็นสำนักเราก็ไม่เอาพยายามสอ น, สอนจนตลอดมาถึงถึกวันนี้ การเรียนปริญญาติเกิดมาถุกวันนี้นี่แค่นั้นทุกปีเมื่อเรียนเสร็จแล้วผมก็ให้ประกันเปลี่ยนใหม่ํำหรักํำลาต่างๆนั่นโดยมากที่มันไม่สำคัญอ่านแต่เฉพาะที่มันเป็นข้อปฏิบัติเรานอกกันเอาเซตู้ไว้อเอาเซตู้ไว้จะเก็บสร้างใหม่เข้าหลักเดิมของเรา มายกคอประพฤติปฏิบัติขึ้นมาเช่นส่วนรวมเช่นว่าหนึ่งจะต้องทำวัดสวดมนต์ร้อมเพยียงกันอันนี้เป็นหลักมันเป็นหลักมันเป็นหลักอันนี้ได้บุญทำไปเพื่อแก้กความขี้เกียจแก้กความรำคาญเป็นเหตุให้รคยันมันเพียนขึ้นมาทุกคนก็กระทำกันมา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 อ่การประชุมกันเนืองนิดในคราวที่ควรประชุมนั้นอันนี้ขอให้เอาใจใส่เอาใจใส่ทุกๆุกท่านต่อไปในการงานสนิทนี้มันก็แยกเป็นประเภทอีกหลายอย่างตามที่เราพิจรารณาบางท่านเช่นว่าเราตั้งให้คณะหนึ่งอืมเป็นผู้แทน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 การสวดมนต์แลการประชุมต่างๆที่เล็กในน้อยบางทีท่านก็ขาดไปเพราะมันมีธุระส่วนหนึ่งอีกเป็นต้นนอกนั้นไปอีกเราไม่มีธุระอะไรมากทีเดียวไม่มีธุระอะไรมากมายมีการทรงข้อวัดที่ครูบาอาจารย์ที่แนะนำทำสอนเคยกระทามานี้สวดมนต์ตอนเช้าสวดมนต์ตอนเย็น การเก็บกวดอะไรต่างๆการเที่ยววินธาบาัตรการสังวรสังผู้ใหม่เราจะอาศัยผู้เก่าปกครองเราความปฏิบัติเราสะดวกขึ้นมาอันนี้เขาให้ทำความเพียรอย่างเต็มที่ อ, อย่างเต็มที่จิตของเราส่วนนี้จิตส่วนเดืนที่จิตสูงไปกว่านี้อีกท่านรับรองแล้วอย่างแขกไปมาหาสู่อย่างนี้ก็มีผู้ปฏิสัฐานจอนรับ พวกเราก็ไม่ต้องบางการบางเวรานั้นพาละของเรามันก็น้อยลงเมื่อพาละเราน้อยพาละที่กว่าพุชปฏิบัตินร่นก่อสำรวมทั้งบอลมันก็มากขึ้นฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายอย่าเอาไอ้โอกาสทีดีอันนี้ไปทิ้งพึ่งทำาพิ่ ง, งประพฤติธปฏิบัติเมื่อมีใครเมื่อมีใครต่อสู้อะไรอะไรอยูนะ่แทนตัวเราอยู่เราจะมีโอกาส เช่นอยู่ใต้ความปกครองครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านก่อปฏิบัติป้องกันชั้นหนึ่งให้พวกเราทั้งหลายตั้งใจประพฤติปฏิบัติกันไปก็เป็นกันมาอย่างนี้อืมฉะนั้นจึงให้พวกชั้นทั้งหลายนั้นเข้ารวมกันทําสามาคีเข้าหลักเดิมเคยเดินจงกรมก็ต้องเดินเคยนั่งสมาธิก็ต้องนั่งเคยมาทําี่วัดตอนเช้า ทำวัดตอนเย็นนั่นก็พยายามอันนี้เป็นจิตของท่านโดยตรงอันนี้ให้ประการตั้งใจคนอยู่เฉยๆนั่นไม่มีกำลังไม่มีกำลังคนปอนๆแป้นๆเนี่ยคนที่อยากจะสึกวุ่นวายดูก็คือคนที่ไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติไม่มีงานทำเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้นะในจิตพุทธศาสตร์เนี่ยเป็นพระเป็นเนเ น, เนี่ย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 เดินจงกรมนี้ไดขาดนั่งสมาธิดูพระเนรก็ได้ อ, อ, องค์ใดทางว่าฉันเสร็จแล้วหมดธุระแล้วเข้าไปกติของเราจากกีวาลไว้วก็เดินจงกร ม, มเดินไปตามกติเรานั้งนั้นนะเราจะเห็นทางเดินจงกรมเป็นแถวจนกวว่าเราเห็นบ่อยครั้ง การเดินยังกลมการนั่งที่ท่านตรงนี้ไม่เบือ่อไม่นาย น, นี่ท่านมีกําลังท่านเป็นผู้มีกําลังมากยกตัวอย่างทินพระหนุ่มๆ น, น้อยๆที่อยู่วัดเหล่านี้พอยกเป็นตัวอย่างได้เช่นคุณทองจั น, นคุณทองจันเนี่ยเป็นตัวอย่างที่อยู่ใกล้ผมนั่นผมเคยพิจรารณารอบคอบพอสมควรเป็นพระ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 อาเป็นพ้าน้อยกวจริงบางทีพูดกลัมาก็มีเหตุผลพอสมควรนี่ออันนี้ไม่ใช่บาสันดเสนท่านหรือยกท่านอะไรพูดตามความเป็นจริงอยู่ที่ผมเคยพิจารณาทุกทุกองถ้าหากว่าเอื้อเฟื้ออยู่ในการทั้งหลายเหล่านี้แล้วผมว่ามันสบายไม่ค่อยมีอะไรมากมายนี่ถ้าหากว่าใครไม่อยู่ในการปฏิบัติในการประพฤติในการเดินจะควมทำสมาธิเนี่ยนะไม่มีอะไรไมิแต่การเที่ยว มันไม่สบายตัวนี้ไปเที่ยวตรงนั้นมันไม่สบายตรงนั้นก็ไปเที่ยวตรงนี้เท่านั้นแหละกอนไปมาด้วยอย่างนั้นมันก็ไม่ตั้งใจกันไม่คดีไม่ต้องอะไรมากมายเถอะเราอยู่ให้รู้จักข้อวัดปฏิบัติธอให้มันสุขุมซะก่อนเถอะการเที่ยวไปมานั่นมันเป็นของหลังมันเป็นของภายหลังมันไม่ยากขององ่ายง่ายมันไม่ยาก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 เท่านี้กายกายับจิตเนี่ยมันก็ได้รับความสงบแล้วครับถ้าหากว่าจิตวุ่นวายกายสมบูรณ์อยู่มันก็เปลียนไปได้ยากอืมถ้าหากว่ากายมีเยทนามากจิกตเราไม่มีกําลังนะจิตนั้นก็มายึดกายได้อืกเป็นต้นก็ไม่สบายกันไปอีกนี่พูดถึงผู้ที่ยังศึกษาอยู่เราจะต้องศึกษาอย่างนี้ <c oughs> การศึกษาในในทางกรรมฐานเหล่านี้เนะ่ยศึกษาเรื่องการละยีเดชศึกษาเรื่องการบําเพ็ญและการละอ่าที่เรียกว่าศึกษานี้อถ้าว่าเราถูกอารมณ์มาเรายังไปหยุดไหมยังมีวีตกวิจาร์ไหมมีความน้อยใจไหมมีความดีใจไหม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 เรายังไม่สมบูรณ์บดีบุญเราจะต้องศึกษาจะต้องมีการละจะต้องมีการบำเพ็ญอยู่เสม อ, อมไม่ขาดนี่ผู้ที่ต้องศึกษาอยู่มันติดตรงนี้เราก็รู้จักว่าเราติดอยู่ตรงนี้เราเป็นอย่างนี้เราก็รู้จักว่าเราเป็นอย่างแก้ไขเราจะต้องแก้ไขตัวเราเอง อ, อยู่กับครูบาอาจารย์ อยู่กับครูบาอาจารย์หรืออยู่นอกครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันไอความกลัวนั้นบางคนก็มีความกลัวถ้าไม่เดินจงกรมถ้าไม่ทำกลัวครูบาอาจารย์จะดุจะว่าเอานี่ันยังดีอยู่ดีอดีอยู่แต่ว่าข้อประพฤติปฏิบัติที่แท้น่ะไม่ต้องกลัวใครกลนะัวความประมาทมันจะเกิดขึ้นมากลัวความผิดมันจะเกิดขึ้นมา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 จับอันนั้นมาพิจารณาหายมันเห็นแก่แจ้งที่เราอยู่กันนี่ในการอดทนอดทนต่อเจตทั้งหลายนี้มันก็ดีส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าปฏิบัติอันนี้ยังอดทนอดทนอันนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมก็ไายังยังไม่เห็นธรรมถ้าเราปฏิบัติธรรมเราเห็นธรรมแล้ว ไอสิ่งที่ได้มันผิดเรกกรละมันได้จริงๆอือันใดมันเกิดประโยชน์ลอกกระพติอันนั้นให้มันเกิดได้จริงๆิเมื่อเราเห็นในจิตของเราอย่างนี้เราก็สบายใครจะมาว่ายัางไงก็ช่างใครนี่เราเชื่อจิตของเจ้าของมันไม่บูดวายจะอยู่ที่ไหนก็อยู่ไปได้อย่างนี้มันก็เป็นอย่างหนึ่งที่นี้พวกเราเป็นพระเล็กเน้นน้อยบวชเขามา ปฏิบัติบางทีเห็นครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่เคยไปเดินเดินเจียงกลมไม่เคยนั่งสมาธิไม่ค่อยทําอะไรต่ออะไรของท่านเราก็ไปเอาตัวอย่างตัวอย่างท่านนั้นเนี่ยเนี่ยหลักแธรรมาใครเอาเยี่ยงอยากจะไปเอาอย่างท่านเยี่ยงมันเป็นอย่างหนึ่งอย่างมันเป็นอย่างหนึ่งคือสิ่งอะไรที่ท่านมีพออยู่สบายแล้ว ท่านก็อยู่สบายๆถึงแม้ท่านท่านไม่ทําทางกายทาทางวาจาทางใจท่านก็ต้องทําของท่านไอสิ่งภายในจิตนี่นมันมองไม่เห็นการประพฤติปฏิบัติในทางพุทธศาสนาเนี่ยมันเรื่องของจิตถึงแม่ไม่แสดงออกมาทางกายทางวาจาเรื่องจิตมันก็เป็นส่วนจิตฉะนั้นเมื่อเห็นครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติมานานแล้วพอสมควรแล้วอืบางทีท่านก็ปล่อย กายได้ลปล่อยวาจาของท่านแต่ท่านคุมจิตของท่านท่านทั้งรวมอยู่แล้วถ้าเราเห็นเช่นนั้นเรากปเอาอย่างท่านแล้วก็ปล่อยกายปล่อยวาจาแล้วก็ปล่อยไปตามเรื่องมันมันก็ไม่เหมือนกันเท่านั้นเนี่ยมันคนละที่อืมอันนี้ให้พิจรารณาอืมมันมันมั น, ม, นมันต่างกันเถอะนะมันอยู่คนละที่แต่ละการปฏิบัตินี้อันนั้นเม่ท่านนั่งอยู่ท่านก็ไม่มีความประมาทเราก็ไม่รู้จักท่าน Uh huh. uh huh. ท่านไม่วุ่นวายกับสิ่งทางหลายแต่ท่านก็อยู่ในสิ่งอันนั้นอันนี้เราก็ไม่รู้จากท่านก็สิ่งในใจนั้นไม่มีใครรู้จักเราจะไปดูตัวอย่างข้างนอกอย่างนั้นมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้นี่มันเป็นของกี่สำคัญเรื่องกิจนี่เป็นของสำคัญเราเนี่ถ้าพูดไปอย่างนี้มันก็ไปตามคำพูดถ้าทาอย่างนี้มันก็ไปการไปตามการกระทำทางนั้นนะ uh huh. บางทีที่ท่านทำมาแล้วอ่ะกายของท่านท่านก็ทําได้วาจาของท่านท่านก็พูดได้เนี่ยแต่จิตของท่านไม่เป็นไปตามนั้นเพราะว่าจิตของท่านปลารบธรรมปลารบธรรมปลารบบิณายอยู่เช่นบางอย่างท่านจะทรมานเพื่อนฝูงหิืรมานลูกจิตอะไรต่างๆการวาจาของท่านพูดไปก็หยาบอยาบ นะไม่ค่อยเรียบร้อยทางกายของท่านก็หยาบอันนี้เมื่อเราไปเห็นเช่นนั้นน่ะเราก็เห็นแต่กายของท่านส่วนภายนอกวาจาของท่านภายนอกส่วนจิตของนั้นที่ท่านปลาลบทำหรือปลาลบปีในนั้นท่านมองเห็นไม่ได้อืมฉะนั้นให้ยังอะไรก็ตามเถอะนะยังอะไรก็ช่างมันเถอะให้เรายึดเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าอย่าประมาทความไม่ประมาทนี่แหละ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 แปลว่าผู้เห็นภัยในสงสารเนี่ยมันก็ซึ่งกว่ากันทางนั้นเนี่ยมันดึกซึ่งกว่ากันทางนั้นผู้เห็นภัยในสงสารก็คือเห็นว่าโทษของวัฏฏะทั้งหลายนั้นในวัฏฏะสงสารนี้มันมีภัยมากที่สุดแต่ว่าอคนธรรมดาสามัญเหล่านี้ไม่เห็นภัยในสงสารนี้เห็นความสนุกเห็นความฉนานความรื่นเริงบันเทิงในโรคอันนี้ แต่คําพระท่านพูดเป็นธรรมะท่านว่าพิกุภูเห็นภัยในสงสารสงสารก็คืออะไรสงสารนั่นมันก็คืออะไรสังเษดเดถูกขังสังสารทุกขังทุกขกในสงสารนี้เดือที่จะทนไม่ได้แล้วมันมากเกินเนี่ยตลอดอย่างความสุขอย่างนี้มันก็เป็นสงสารท่านก็มาให้เราไปยึดมันถ้าเรามาเห็นภัยในสงสารเห็นความสุขเราก็ยึดความสุขนั่นต่อไป ไม่รู้จักทุกยาวเลยไม่รู้จักอะไรเช่นนี้ค่อยๆไม่รู้จักความผิดเหมือนเด็กไม่รู้จักไฟมันเป็นเช่นนั้นถ้าเราเข้าใจการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ว่าพิกุเห็นภัยในสงสารถ้ามีธรรมะข้อนี้เข้าใจอย่างนี้มันจมอยู่ในใจของเราทั้งหลายนั้น ผู้นั้นจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนที่ไหนเป็นต้นก็เกิดความสะ ด, ดุดเกิดความสังเวชเกิดความรู้ตัวเกิดความไม่ประมาทอยู่ที่นั่นแหละถึงท่านจะนั่งอยู่เฉยๆก็เปลี่นอยู่อย่างนั้นจะนอนอยู่เฉยๆของท่านก็เป็นอยู่อย่างนั้นท่านจะทำอะไรอยู่ก็ท่านเห็นภัยอยู่อย่างนั้นอันนี้มันอยู่คนละที่กันจะแล้วอันนี้การปฏิบัตินี่เรียกว่าผู้เห็นภัยในสงสาร ถ้าเห็นภายในสงสารแล้วท่านก็อยู่ในสงสารนี้เนะี่แต่ท่านไม่อยู่ในสงสารนี้รู้จักสมมุดอันนี้รู้จักบัญญัติอันนี้ท่านจะพูดก็พูดต่างเราทําก็ทําต่างเราคิดก็คิดต่างเราถ้าบุคคลไม่ฉลาดก็ไปจับหดทุกสิ่งทุกอย่า ง, งมันทำไม่ได้อืมอันนี้เนะี่เวลานี้เราก็จะต้องมีการมีงานอะไรตัวอะไรนะหลายอย่างพวกเราทั้งนี้จะพากันเถือ จะอยู่ตามสาขาต่างๆก็ดีจิตอันนี้อย่าทิ้งส่วนผมปีนี้ร่างกายไม่ค่อยสบายไม่ค่อยดีดัะนั้นบางสิ่งบางอย่างผมก็มอบให้พระภิกษุสามเณรทุกทกองค์ประกันช่วยกันทําต่อไปอช่วยาบางทีพบกับพักพร โดยมากกขอชอบเป็นอย่างนี้จ้งเจ้าไหนต่นไรมานะพ่อแม่ทางโลกกเหมือนกันถ้าพ่อแม่ยังอยู่นั้นลูกเจ้าก็สบายสมบูรณ์ถ้าพ่อแม่ตายไปแล้วลูกเจ้านั้นแตกกันแยกกันเป็นคนรวยมากับเป็นคนจนเนี่ย อ, อันนี้มันเป็นธรรมดาอยู่ในโลกนี้มันมีอยู่แล้วเรามองเห็นอยู่ เช่นว่าเมื่อครูบาอาจารย์ยังอยู่อย่างนี้ก็สบายสมบูรณ์บริบูรณ์ยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าของเราเป็นต้นถ้าท่านยังชงพระชนอยู่นั้นก็เรียกว่ากิจการต่างๆนั้นก็เรียกว่ามันเรียบร้อยมันดีขึ้นทุกอย่างเมื่อท่านปรินิพานไปแล้วนั้นความเสื่อมมันเข้ามาเลย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 ฝ่ายพระเจ้าพระสงฆ์เราก็เหมือนกันถ้าหากว่าครูบาอาจารย์นี้หรือมรณภาพไปแล้วชอบคลุกคลีกันชอบแตกสามากีกันชอบเสื่อมเกือบกับทุกแห่งเลยอันนี้มันเป็นเพราะอะไรนี่มันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราทั้งหลายประกันเผลอตัวเผลอเลอตัวอยู่เมื่อพ่อแม่เรายังอยู่นะ เราก็อาศัยบุญบารมีพ่อแม่อยู่มันก็ไม่เป็นอะไรสบายเมื่อพ่อแม่หนีไปแล้วเราก็ว่างเมื่อเราอยู่กับพ่อกับแม่นั่นนะเรามาอยู่ในโอวาทธรรมคําสั่งสอนของพ่อแม่แด้การมาหยิบเอาข้อประพฤติปฏิบัติของพ่อแม่ของเราปฏิบัติมาแล้วการกระทํา น, น, ทนั้นไปทําให้เข้าอกเข้าใจให้เป็นประโยชน์ขึ้นมาอันนี้ก็ฉันนั่นเหมือนกันอ่าครูบาอาจารย์เราเหมือนกันเช่นนั้น ว่าครูว่าอาจารย์ที่แนะนำํำคมสอนมาท่านเสียไปแล้วลูกจิตชอบแตกกันชอบแยกกันความเห็นต่างๆกันแยกกันแล้วอาจจะแยกกับประโยชนแห่งหนึง่งองค์ที่คิดผิดกับประโยชนแห่งหนึง่งองค์ที่คิดถูกกับประโยชนแห่งหนึง่งผู้ที่ไม่สบายใจดีกว่าไปจากเพื่อนไปตั้งใหม่อีกก่อขึ้นมาใหม่อีกก่อกำเนิดขึ้นมาใหม่อี ก, ก, อ ม, า ม, าอกมีบริษัทมีบริวารประพฤติดีประปิดชอบขึ้นมาอีก ในกลุ่มนั้นชอบเป็นกันอย่างนี้ตลอดปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นอันนี้ก็เพราะพวกเราทำไ้บกพร่องบกพร่องเมื่อครูบาอาจารย์ยังอยู่หรือพ่อแม่ยังอยู่เราพากันอาศัยความประมาทเป็นอยู่ไม่หยิบเอาคอวัดปฏิบัติอ น, นั้นที่ท่านทำนั้นที่ท่านประพฤติปฏิบัติมา น, นั้นยกขมาใส่ใจของเราจะประพฤติ ปฏิบัติตามอย่างนี้ไม่ค่อยมีดังแต่ครั่งพุทธการเราคุ้มือนการเจอเห็นนะไม่เราเรียนทำกันนี่ออืยพระที่สุภูเท่านี่ยังไงนะสุภจริขูนั่นะนะพระมาหากรัชปะนะอื ม, มาจากเมืองประวาลอือ ม, มาถามปฏิภาช่ว่าพระพุทธเจ้าของเราอ่ะยังสบายดีหรือเปล่าพระพุทธเจ้าปฏิพานไปได้เจ็ดวันจะแล้วนพระทั้งหลายที่ มีจิตดชหนาปัญญาหยาบยังในบรรุมกุลนิ่พานก็น้อยใจร้องให้ก็มีคนค้างหลายๆอย่างผู้ถึงธรรมะล้วก็เห็นว่าพระพุทธเจ้าของเราแต่นิ้พานไปแล้วไปด้วยดีเนาะผู้ที่มีจิตเดชมากก็เรียกว่าท่านจะร้องให้ทำไมพระพุทธองค์นันท่านนิ่พานดีแล้วเราจะอยู่สบายกัน เมื่อท่านยังอยู่นั่นจะทำอะไรก็ไม่ได้จะพูดอะไรก็ไม่ได้ขัดข้องทั้งนั้นแหละเราอยู่ลาบากใจเราอันนี้มันดีแล้วท่านยิพพานไปเราสบายเลยอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะพูดอะไรก็พูดแล้วอันนี้ท่านจะไปร้องไห้ทำไมมันดีแล้วท่านิพพานแล้วนะไม่มีใครมาขัดคอเราต่อไปอีกเราจะพรกันสบายมันเป็นมาแต่นู้นครับมันเป็นมาอยู่อย่างนี้อืมนันเป็นเรื่องอย่างนี้ฉะนั้นอย่างไรก็ตามมันเถอ ถึงในครั้งพระพุทธเจ้าเราก็เอานี้ไว้ไม่ได้แต่ว่าอย่างเรามีแก้วน้มใบหนึ่งเราพยายามรักษามันให้ดีใช่หรืประเช็ดมันเจ็บมันที่ที่สมควรเก็บไว้นมัตระวังแก้วใบนั้นครับมันจะได้ใช้ไปนานเราใช้ไปเสร็จแล้วคนอื่นคนจะใช้ต่อไปนานๆให้มันนานครับเราเตรีมมันที่นานได้นี่มันก็เป็นอย่างนี้ ถ้าหกว่าเราใช้แก้วแตกวับละใบลใบละใบบกับเราใช้แก้วใบหนึ่งสิบปีจึงแตกเนี่ยมันก็ต่างกันไหมเนี่ยมันจะดีกว่ากันอือมันก็เป็นอย่างนั้นข้อประพฤติปฏิบัติอันนี้เหมือนกันอย่างงั้นผู้อุปสมบทมาในพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าของเราจันจึงไม่เลือกการเลือกเวลาออกพรรษาก็บวชได้เข้าพรรษาก็บวชได้ทุกอย่าง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 ปฏิบัติให้สม่ำเสมอให้ดีมากๆเคยจากสิบองค์เหอะจากสิบองค์วัดประพง์นี่จเจริญวัดไหนก็จเจริญเหมือนกับคนในบ้านบ้านหนึ่งนั่นแหละคนในบ้านนั่นเนะ่ะขนาดจากร้อยลังคามีคนดีสักห้าสิบเนี่ยบ้านนั้นก็เจริญอันนี้มันจะหาสิบคนก็ยากอย่างนี้นะ่ะอย่างวัดหนึ่งอย่างนี้นะจะหาครูบาอาจารย์ ผู้ประพฤติปฏิบัติมานั้นมีศรัทธายิ่งจังนั้นสักห้าหกองอย่างนี้มันก็ยากมันเป็นเช่นนั้นอย่างไรก็ตามพวกเราทั้งหลายถ้าหากว่านอกจากการประพฤติดีประพฤติชอบไปแล้วอันนั้นก็ไม่มีหน้าที่ฟ้องพวกเราทั้งหลายแล้วเพราะว่าพวกเราทั้งหลายนี้ไม่มีอะไรแล้วดูที่เครเอาอะไรไหม ทรัพสมบัติก็ไม่หาแล้วไม่เอาแล้วอืมครอบครัวเราก็ไม่มีแล้วอะไรทุกอย่างแมแ้แต่การฉันก็ยังฉันมือเดียวเราละมาหลายหลายอย่างแล้วไอ้สิ่งที่มันดีๆกว่านี้เราละมาเยอะไอ้ข้ า, ขาวกระเทวดาเป็นพระนี่ละหมดไม่มีอะไรทั้งหมดไอ้สิ่งที่โรกเขาชอบชอบกันนั้นนะทิ้งหมดแล้วก็ตกลงว่า เราบวชเข้ามาในพุทธศาสนานี้ก็เพื่อหวังการประพฤติปฏิบัติเพราะเราละมาแล้วละมาแล้วไม่เอาอะไรแล้วเราจะมาคิดเอาอะไรอีกจะมาเอาโลภอีกจะมาเอากโกรธอีกจะมาเอาหลงอีกจะมาเอาอะไรต่างๆไว้ ใ, ในใจของเราอันนี้มันไม่ควรมันไม่สมควรแล้วให้เราคิดไปว่าเราบวชมาทำไมกันเราปฏิบัติกันทำไมกัน บวชมาปฏิบัติอบวชมาปฏิบัติถ้าหากว่าเราไม่ได้ปฏิบัติแล้ ว, ลวก็อยู่ไปเฉยๆเท่านั้นแหละไม่ปฏิบัติอะไรเหมือนค า, วารวะปนนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่ไม่ทํ า, าธุระนาทีการงานของเรานี้มันก็เสียเพศสมณะผิดความมุ่งหวังมาแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นก็เรียกว่าเราตายแล้วเรียกว่าเราประมาทแล้ ว, เ ร, วเราประมาทแล้วก็เรียกว่าเราตายแล้ว อย่างนี้อันนี้ให้เข้าใจ น, น, นานๆกว่าปีนาไปเถอะให้ความตายอ่ะไอ้ความตายอย่าไปลืมใยความตายเนี้ยเมื่อไรจะตายอดูติธรรมมาเมื่อไรตายมีเวลาไม่ตายให้เราคิดคิดตัวถามทวงเราจะ เ, ม, เมื่อไรเราจะตายไหมเมื่อไรตายให้เราทวงบ่อยๆ ตายเมื่อายตายถ้าเราคิดเช่นนี้นะจิตใจเราจะระวังทุกวินาทีเลยทีเดียวความประมาทความไม่ประมาทจะเกิดขึ้นมาทันทีเมื่อความประมาทไม่มีแล้วสติสติความะระลึกได้ ว่าอะไรเป็นอะไรก็เกิดมาทันทีปัญญาก็แจ่มแจ้ ง, งเห็นอนไรเห็นสิงใดสิง ห, หนึ่งชัดเจนในเวลานั้นเราก็มีสติประคองอยู่รอบรูปอยู่ทางอารมณ์ทั้งกลางวันกลางคืนทุกสิ่งสารพัดนั้นเนี่ยเป็นภูมิสติอยู่ถ้าเป็นผููมิสติอยู่กับเป็นผู้สังรวมอยู่เป็นผู้สังรวมอยู่ก็เป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ เป็นผู้ไม่ประมาทอยู่เป็นผู้ปฏิบัติที่ถูกต้องเท่านั้นอันนี้เป็นหน้าที่ของเราทั้งหลายอืฉะนั้นขอให้บัด น, นี้ขอพูดถวายก้าพวจท่านทั้งหลายต่อ น, นี้ไปก็หากว่าทําจิตการงานเราธรรมดาเราจะออกจากนี่ไปสู่สาขาก็ตามจะไปสู่ที่ไหนก็ตามนะอย่าลืมตัวอย่าลืมตัวของตัวเดี๋ยวเรายังไม่สําเร็จเรายังไม่เสร็จสิ้น การงานของเรายังมีมากพาระของเรายังมีมากคือข้อประพฤติธปฏิบัติในการละการบำเพ็ญของเรายังมีมากให้เป็นห่วงไว้ทีนี้ถึงคราวต่อไปปริยัติต่อไปปีหน้าทารามีชีวิตอยู่เราก็รู้เข้าสอบอย่างเต่าเราเนี่ย่อบไปเพื่อหากว่ามันเป็นช่องชี้ทางเราเป็นผู้ประพฤติธปฏิบัติไปเป็นคู่กันไป ไอความเป็นจริงแล้วเรื่องปริยัติก็ดีเรื่องปฏิบัติก็ดีนะเรื่องไม่เสื่อมทั้งเรื่องดีทั้งนั้นแต่ว่าเราคิดไม่ถูกเราปฏิบัติไม่ถูกประเดี๋ยวมันเสื่อมตอนนี้ก็อ่าตอนนี้ไปก็มีเวลาที่พวกเราทาั้งหลายจะทำธุรนันที่บางอย่างก่อนเมื่อเราไปอยุธยาเสร็จแล้วกลับมา ให้เรียบร้อยจึงจะทำการบรรพชาอุปสมบทให้มันเป็นชุดเนนซึ่งมีอายุครบยี่สิบปีแล้วก็จะรับบวชมาทำบริคานกันบวชกันในในปีนี้ที่พวกนาคที่คขา ม, มาใหม่ก็รับน้องใหม่ให้นุ่งขาวไปอย่างเดิมของเราฉะนั้น ผู้ที่อย่างธนแปงจารย์เหลี่ยมวิถนใครที่เคยทํากันมานั่นก็พักการดูดูไว้การอุปสมบทนะผมนั่นก็มันอาศัยพวกท่านทั้งหลายนะอืมเป็นหูเป็นตาอืมไอ้ความจํานี่ก็มันหมดแล้วมันไม่มีแล้วเจ็บไอยู่ไปพูดไปเท่านั้นแหละมันเหลือแต่สิ่งที่มันมีอยู่ในใจเราเท่านั้นแหละตัววันนี้ฉะนั้นจริงๆขอโ อ, อกาสกับพวกท่านทั้งหลายด้วยว่า บางทีพมก็ไปพักอยู่ให้โอกาสที่จะอยู่สบายร่างกายนี้ก็ดูหละไปเขื่อนมานี่ก็ดู่ามันดีขึ้นมันดีขึ้ น, น, ด, นดีกว่าที่อยู่บ้านเราวัดเราเมื่อมีโอกาสพอสมควรแล้วพวกก็จะเข้าไปในป่าไปหลังอ่างปลกเช่นวัดเขื่อนทีดินทอนเป็นตัวอย่างพอไปไปมาๆแากพวกท่านทั้งหลาย ก็ประกันตั้งใจทุกๆคนจะอยู่ในสาขาก็ดีอยู่ในที่นี่ก็ดีพากันส่งคอวัดปฏิบัติไว้เพราะว่าในเวลานี้พวกเราทั้งหลายรวมกัน่มันหลายแล้วหลายสาขาแล้วต้องประกันพยายามโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามสาขาต่างๆมีกําเนิดเกิดจากสาข า, าเกิดจากวัดประพงศ์จะถือเลยว่าวัดประพงศ์นี่เป็นพอ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์เป็นเยี่ยมอย่างของสาขาทั้งหลายเร้แนั้นก็ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกพระเนนครูบาอาจารย์ทุกองค์ซึ่งอยู่ประจําสาขาอ่ซึ่งอยู่ประจําวัดต่างพค์นี้ก็พยายามให้เป็นแบบเรียนเป็นบทเรียนเป็นตัวอย่างเป็นครูบาอาจารย์อืมของสาขาทั้งหลายเหล่านั้นให้เข้มแข็งในการปรระพฤติในกาปฏิบัติตามพระหน้าที่ของสมณะพวกเราทั้งหลายนั้นต่อไปอืม อันนี้ก็ไม่มีอะไรหรือมีอะไรไหมคณะสงฆ์เราทั้งหมดใครมีอะไรไหมปีนี้จะเป็นปีใหม่บางทีเขาสองยามเขาก็มารวมกันพวกชาวตลาดเข้ามาถวายน้ำมูกน้ำมันถวายแสงสว่างตามภาษาของเขาหนึ่งปี แต่นันปีนี้วันนี้จึงมารวมกันจะเรามารวมกันพูดกันในเร็กหน่อยน้อยถ้ามีสุรนาทีถต่มีปัญหาก็จึงพูดกันไาตามทีหลังปัญหามันเกิดมาแล้วก็แก้ปัญหามันไปแต่ว่าใครมีอะไรก็บอกใครไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นโรคอะไรก็ให้บอกค่อยบบำบัดกันไป <c oughs> ที่ผมนี่ก็อาศัยปลอดชันทั้งหลายนั่นแหละอยู่เนี่ยเป็นหลักที่สำคัญอยู่และเรื่องอย่างอื่นก็ฟันหลังก็จึงพูดกันวันนี้ก็คือสองยามนี่เขาก็จะมาถวายเครื่องบูชาตอนนี้ไปพวกเราทั้งหลายต่อปัะกันทำวัดสวดมนต์ได้ใช่ไ ตอนนั้นไปก็ฟังเปิดคลิปท่านเจ้าคุณพุทธธาสฟังกันไ ป, ปนพอควรพรุ่งนีมมนนนน้นิ ม, มนต์บินถบาตเทศบ า, าลแน่นบวชนิมนต์นิมนต์นิมนต์บินถบาตเทศบาลรถเทศบาลจะมารับแน่นบวม มันที่หนึ่งเนี่ยทุกท่านทุกท่านนะออไปบินตบาดซะก่อนแต่ก็แล้วพูดจะกลับสาขาก็ให้มันจบปีใหม่ก่อนอย่างทันบุญเนี่ยอืหรือมันพ้นใจกลับไปก่อนผมแต่ว่าในสิ้นปีใหม่ซะก่อนจะสั่กันไปนไใช้ละอันไปใช้ละพระที่น้อ อยู่ปฏิวัติเปเลยนะอะไรโง่นะาพวกทีมอยู่ปฏิวัติด้วนะโอเลยมากฮะางไรสิบวัตั้งใจสำไรัสิบวันี่สิบวัอยู่นานอยู่บ่ฮะเออบวชอุปชาอะไร่ะกานบวชมาก <c oughs> นี่เ ร, าา ร, รืก่การบวชบริรษัการบวชบรึกษาทู่บาอาจารย์บวชแ ด, ดว้วอุปชาอาจารย์กับบนารรําำําสอนนี่คือมันขาดนี่ขาดปริยัติ <c oughs> ขาดปริยัติคือบ่วงหงเรื่องว่ะทำยังนี่มันผิดทำยังไหนมันถูกบ่วงหงจักแล้วก็ไปทำมนันเป็นอาวัต อวัตนักแจกแก้ขยไยอะคืออาวัตรสักิาจิตในเวลาปัจจุบันนี้มากที่สุดในยุลาคือพระอุปชาชบวชก็ปล่อยไปเลยปล่อยไปเล ย, เยไม่ไจับใบเพราะาเป็นจริงบวชแล้วก็ต้องให้ยูน้ำผาพรรษาอาวัตรนักอาวัตรเบาบอกให้เดียบรลอยโมทุกอย่างให้รู้จักท่านจะให้ออกไปอ อ, อกไปเที่ยวไปในห้าพรรษา ทุกวันนีบ่บวชตอนเช้าตอนเย็นไปแล้ว응เนี่ยอย่างนี้บวชแล้กก็ไม่ฝึกไม่ฝึกถ้าถ้าคนทำนาก็จับหางไถไถนาอย่ก็ไปจับมาบวชเลยผู้ประชาต้องบอกไปเตนนโมนโมตระนโมตระปัสสวะโตปัสสาวะโตผู้ประชาก็ทนเรือเกิน บอกไปครันี่แหละโทษมันเนี่ท่านทั้งหลายเนี่ยโทษมันเป็นอย่างนี้ทีนี่วัดน้องกวพงเราเนี่ยเราจรึงเอาคุณฑบุตรลูกหลานมาบวชเนี่ยมาฝึกเจกากรมาฝึกเจ้ากรว่าการบวชเป็นอย่างไรทําอย่างไรเราไม่รู้จักกันเรียกว่ากาันทุพราชมาฝึกมาฝึกการย่อมผ้าการตัดผ้าการนบมบาดจิตวัดต่างๆ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 ต้องอาศัยเกินหมดลูกหลานเนี่ยว่าฝากอยู่ น, นานๆตลอดพระฝรังมาบวชก็เหมือนกันเอาอยู่นั่นแหละโกนผมให้นุ่งขาวอยู่อยังไงละฝรังนเลนยเอาให้หมดผู้อักษรซะก่อนเขาก็ อ, อุตส่าห์ทำถ้าบวชมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่มีเรื่องเือแก่อวดทั้งหลายเหล่านี้ม่มี เราก็รู้จักมีความละอายรู้เรื่องแล้วนี่เดียวปริยัต์ก็รู้จักอืมทุกวันนี้อันนี้มันกำเริบขึ้นมาแต่อันนี้ต้องอยู่ปริวดัดปริวดัดทำไมอยู่อยู่ปริวัดกันทุกวั น, นจริงมีหน้ามีตากันนี่เดียววัดนั่นอยู่ปริวดัดเดียววัดนี่อยู่ปริวัดท่านนั้นร้อยท่านั้นสองร้อยสามร้อยก็พักคัเองกันไปอยู่ปริวดัดอื อ, อยู่ปริวดัดออกจากวัิ ก็ยิ่งไหพระเจ้าพระสงค์เราเกิดประมาทขึ้นมาดี้เป็นผู้ไม่สังวรเป็นผู้ไม่สังวรวมขึ้นกวยิ่งอยู่ปริมาตรเลยผมเคยเล่าให้ฟังนี่บอ่อยเหมือนโจรเนี่ยนี่เหมือนขโมยนี่ยไปขโมยของ ข, องของมาเนี่ยมีทนายไปประกันลงมาซะไม่ต้องติดตารางไม่ให้ผิดเนี่ยขโมยมันก็เยอะเท่านั้นแหละอันนี้คุมันกันเนี่ยพระเจ้าประสงค์เราคุมันกันเป็นอาบัติอย่างนี้เอาออกมาเอาออกมาเหตุเหตุในสังวรสังวรวม ู่ผลที่มันเกิดขึ้นมาเถอะในบ้านในเมืองของเราทุกวันนี้พระเจ้าประสงค์มันไม่ปแปลกอย่างกับคารวะเขาจะแล้วํำบาก อ, อันนี้ถ้าทำจใจดีแล้วผมก็จะให้พระไปไปช่วยให้ท่านนุ่ยลืวยเาราต้อง้าภูีิสำคัญ ผู้เี่ยวปริวัติให้เขาจงหากันยูปริวัติยูไปกี่ปีไหมมีศรัทธายิงไหมั้าต้องจับแล้วมาจะนีพระมเอาเลยพระพรังเป็นเป็นอาวาตมาผม้หมยไปปุดไปปักใจให้เรินทรวงไปใช่ยด้วยบ่ให้นั่งถด้วยเรนบอกสันตจิตตัวเดินไปเถินไปอยู่ปริวัติปักใจ อ, อาจารย์จาเนียนไป โทษมันทำาโทษมัน่นที่นี่โบไดเอาและทีนีเค็ดตาเพราะฉะนั้นเมื่อท่านต้องการจะทำกับท่านต้องท่าใจให้มันดีเดี๋ยวพูดทีให้ควมบริสุทธิ์ท่านที่เป็นไปใน่วขขอท่านมันที่น้อยนาะถ้าอยู่ตามวันบานเ็าได้เลยไปเฉยๆอันนี้ไห้่าเห็น ให้เข้าใจว่าพวกคณะสงฆ์นั่นสงสารท่านเแต่อยู่ในพรรษาเ น, นี่ยเขาก็ยังไม่ให้ร่วมโวสถดไม่ให้ร่วมสังวาสแต่พเพราะพระพุทธเจ้าสั่งสอนอย่างนั้ น, นอันนี้เมื่อเราเห็นโทษออกแล้วก็พยายามท่านทำไม่ได้ก็ให้ ท, ทำคุ้มค่ากัอาานอืมต้องสงในี่นะอภาน์ตั้งยี่สิบองนะนี่ต่อไปท่านจะไปหาพระจิตไหนมาได้เรียกว่าพระสงฆ์ท่านสงเคราะห์ท่านให้ท่านตั้งใจให้ดีแต่ก็ทําไม่ดี เดี๋ยวโปคิดให้ดีเมื่อท่านอยู่ปฏิวัติออกปฏิวัติแต่ท่านตั้งใจปฏิบัติเป็นสู่ปฏิปันโนเป็นผู้เตวัตีปฏิบตับติตรงให้ท่านหายประโยชน์อืมที่นี้จะให้พระจัดพาไปกับนหน่วยหน่วยจะไปมื่อไหร่บอกอไปย่มื่อไร่นะฉันเนี่ยตอนนั้นเดตกจงไปรดดไม่ใจหรอ ขึ้นไปข้ามตัวต้องพอกันจิส่งพาไปกันหน่อยส่งไปองค์ดีๆกอไปองค์บุรีส่งไปเลยโอ้ย่ายง่ายเถอวะหิมะเลือเขาเชิงซันบอถ้าเจ้าดีปัญใดเดี๋ยสนอกอัดกุ้งผาเอาความปีแฉงเอาเผท่อตะกีนเกงแก่ง โอเคครับ